วัตถุที่ประสงค์สีประการวงเล็บหนึ่งพีกสุทําน้ําอสุจิสีเขียวให้เคลื่อนวงเล็บสองพีกสุทําน้ําอสุจิสีเหลืองให้เคลื่อนวงเล็บสภิกสุทําน้ําอสุจิสีแดงให้เคลื่อนวงเล็บสภิกสูทําน้ําอสุจิสีขาวให้เคลื่อนวงเล็บหภิกษุทําน้ําอสุจิสีเหมือนเปลี่ยนให้เคลื่อนวงเล็บห พิษุทำน้ำอจิสีเหมือนน้ำท่าให้เคลื่อนวงเล็บ7ภิกพิษุทำน้ำอจิสีเหมือนน้ำมันให้เคลื่อนวงเล็บ8ปิกิษุทำน้ำอจิสีเหมือนนมสดให้เคลื่อนวงเล็บ9ภิกษุทำน้ำอจิสีเหมือนนมส้มให้เคลื่อนวงเล็บสิบพิษุทำน้ำอจิสีเหมือนเนใสให้เคลื่อน238ร้าคำว่าในรูปภายในได้แก่ รูปที่มีวิญญาณครองในตัวคําว่าในรูปภายนอกได้แก่รูปที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองนอกตัวคําว่าในรูปภายในและภายนอกได้แก่รูปทั้งสองนั้นคําว่าสายสเอลในอากาศหมายความว่าเมื่อภิกษุพยายามในอากาศองค์ชาติใช้การได้คําว่าเมื่อเกิดความกําหนัดคือเมื่อถูกความกําหนัดรบกวนองค์ชาติใช้การได้ คำว่าเมื่อปวดอุจจาระคือเมื่อปวดอุจจาระองค์ชาติใช้การได้คำว่าเมื่อปวดปัสสาวะคือเมื่อปวดปัสสาวะองค์ชาติใช้การได้คำว่าเมื่อต้องลมคือเมื่อถูกลมรําเผยองค์ชาติใช้การได้คำว่าเมื่อถูกบุ่งขนคือเมื่อถูกบุ้งขนเบียดเบียนแล้วองค์ชาติใช้การได้239ร้าคำว่า เพื่อความหายโรคคือมุ่งว่าจะเป็นผู้ไม่มีโรคคำว่าเพื่อความสุขคือมุ่งว่าจะให้เกิดสุขเวทนาคำว่าเพื่อเป็นยาคือมุ่งว่าจะเป็นยาคำว่าเพื่อเป็นทานคือมุ่งว่าจะให้ทานคำว่าเพื่อเป็นบุญคือมุ่งว่าจะเป็นบุญคำว่าเพื่อบูชายันคือมุ่งว่าจะบูชายัญ คำว่าเพื่อจะไปสวรรค์คือมุ่งว่าจะได้ไปสวรรค์คำว่าเพื่อสืบพันธุ์คือมุ่งว่าจกสืบพันธุ์คำว่าเพื่อทดลองคือทดลองว่าน้ำอสจิจะเป็นสีเขียวน้ำอสจิจะเป็นสีเหลืองน้ำอสจิจะเป็นสีแดงน้ำอสจิจะเป็นสีขาวน้ำอสจิจะเป็นสีเหมือนเปรียงน้ำอสจิจะเป็นสีเหมือนน้าท่า น้ำอซิ จ, จิจะเป็นสีเหมือนน้ำมันน้ำอซิ จ, จิจะเป็นสีเหมือนนมสดน้ำอซิ จ, จิจะเป็นสีเหมือนนมส้มน้ำอซิจิจะเป็นสีเหมือนเนยใสคำว่าเพื่อความสนุกคือมีความประสงค์จะเล่น